เรามาทําความรู้จักกันก่อนพวกลูกนี่อาจจะไม่รู้จักหลวงพ่อแต่บางคนเนี่ยอาจจะเคยเห็น Facebook ที่หลวงพ่อลงอยู่เพราะเพราะว่าหลวงพ่อเนี่ยเป็นคนนําข่าวต่างๆเนี่ยไปลงอย่างเมื่อวานนี้พวกลูกเนนแล้วก็สิริพัฒน์เจรีบวชเนี่ยหลวงพ่อนําไปลง Facebook เพื่อให้พ่อแม่ญาติโยมทางบ้านเนี่ยได้เห็นพอเห็นลูกๆเราก็มีความสุขท่านหลวงพ่อจึงเสนอข่าวเรื่อยๆเพราะพ่อแม่เขารักเราอย่างเมื่อวานที่บอกไว้อ่ะ ตอนนี้พวกลูกเนีนบวชเนี่ยก็ดึงพ่อดึงแม่ดึงญาติมาเป็นญาติกับวัดมาเป็นญาติกับพระพุทธศาสนาตอนนี้เราก็ไปชีวิตใหม่คือการทำความดีของเราเนี่ยก็ต่อความดีเราก็มาฝึกฝนตนเองมาเรียนรู้ต่างๆเพราะถ้าเราไม่มาฝึกเนี่ยเราก็จะเป็นเด็กเอาใจใจตัวเองบางคนพ่อแม่อาจจะเลี้ยงดูเราตามใจเราถ้าตามใจมากๆเนี่ยบางครังจิตใจเราอ่อนแอพอวันไหนมีคนขัดใจเราเราก็ทุกข์ได้พ่อแม่บางครั้ง ดีต่อลูกเนี่ยเอาใจลูกเนี่ยร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งแต่ถ้าวันไหนขัดใจลูกสักครั้งสองครั้งเนี่ยลูกจะจําจไม่ลืมเลยเพราะโดยธรรมชาติเนี่ยลูกจะชินชาดจากความดีของพ่อแม่จะมีความสุขกับพ่อแม่ต้องทาหน้าที่เลี้ออยงดูเราเอาใจเราเพราะฉะนั้นพวกลูกเนรจะต้องคิดสมัยว่าพ่อแม่เนี่ยท่านทําหน้าที่ของท่านเราต้องทําหน้าที่เป็นลูกที่ดีด้วย เอาละหลวงพ่อจะเล่าพิธานให้ฟังเรื่องแรกก็จะเล่าเรื่องความอยากของกบทีกบตัวหนึง่งอาศัยอยู่ในสระของวัดแห่งหนึง่งทุกๆเช้ากบก็จะสังเกตเห็นพระออกไปบิณฑบาตวันแล้ววันเล่ามาวันนี้กบก็มีความคิดอยากเป็นพระบ้างเพราะเห็นว่าพระไปบิณฑบาตเนี่ยสบายไม่ต้องทํางานทําการอะไรมีคนหาเลี้ยงตอนนี้กบอยากเป็นพระสะกพักหนึ่ง พระทานอาหารเสร็จก็นําอาหารเนี่ยมะโปให้ไก่ผงไก่ก็มาลุ่มกินอาหารอย่างมีความสุขคุยเขียบ้างจิกกินบ้างกบเห็นอย่างนั้นก็อยากเป็นไก่บ้างเพราะมีความรู้สึกว่าพระเดินเบญจบ่าต้องเหนื่อยไก่ไม่ต้องทําอะไรเลยถึงเวลาก็มีคนนาอาหารมาให้กินกบอยากเป็นไก่ตอนนี้สักพักหนึ่งขณะที่ไก่กําลังคุ้ยเขียอาหารเป็นเพลินอยู่นั้นหมาวัดมาเห็นเข้าก็วิ่งเข้ามาไล่ไก่ ไก่ต้งหนีก็เจิงเลยทั้งฝูงเลยแล้วหมาก็กินอาหารแทนกบเห็นดังนั้นกบก็รู้สึกว่าอืมไก่สู้หมาไม่ได้ถูกหมาไล่กระเจิงเลยเป็นไก่เป็นหมาดีกว่าตอนที่กบอยากเป็นหมาแล้วเด็กวัดเห็นหมาไล่ไก่รู้สึกไม่ชอบจึงหาไม้มาไล่ตีหมาก็หนีเลยร้องเอ๋งให้เอ๋งไปเด็กวัดตีหมาจนเหนื่อยก็มานั่งพัก กบเห็นอย่างนั้นก็คิดว่าเอ๊ะนึกว่าหมาจะแน่หมาก็สู้เด็กไม่ได้มี่ขนาดเด็กตัวเล็กขนาดนี้ถ้าตัวโ ต, วตวจะขาดไหนสมุดแล้วเป็นคนดีกว่าคนแล้วอ๊กบอยากเป็นคนแล้วบอยากเป็นคนสักพักนึงเนี่ยเด็กนั่งพักอยู่ก็มีแมงวันเนี่ยบินมาตอมตอมหูตอมหัวต อ, ตอมนู่นตอมนี่เด็กก็ลาคาญปัดเท่าไหร่แมงวันก็ไม่หนีไปจนเด็กเนี่ย ต้องหนีแมงกวนกบเห็นดังนั้นกบก็คิดว่าเออนึกว่าเป็นคนแน่ที่แท้ก็สู้แมงกวนไม่ได้เป็นแมงกวนดีกว่าตอนนี้กบอยากเป็นแมงกวนนะกบกำลังฝันหวานอยากเป็นแมงกวนอยู่นะเผลอเลยแมงกวนตัวนั้นแหละมันก็บินบินอีท่าไหนก็ไม่รู้อ่ะบินมาใกล้ๆกบกบก็เผลอตวัดลิ้นเข้าปากไปเลยกบถึงรู้ว่าเอ๊ะเป็นไรก็สู้เป็นกบไม่ได้ตอนนี้กบไม่อยากเป็นไรแล้วเพราะกบเก่งกว่ากบกินแมงกวนเพราะฉะนั้นลุกเรน เราก็อยากเปรียบเทียบอ ย, นนนอยากเป็นคนนู้นอยากเป็นคนนี้เราเป็นตัวเราเองดีที่สุดทุกคนมีกรรมไม่เหมือนกันบางคนก็เกิดเป็นลูกคนรวยฐานะดีหน้าตาหล่อเหลาบางคนก็เกิดมาฉลาดแต่อาจจะหน้าตาไม่ดีบางคนก็อาจจะเกิดมาตัวดำบางคนก็เกิดมาไม่ฉลาดโง่ก็มีเพราะเราสร้างเหตุแห่งกรรมเอาไว้แต่เราสามารถพัฒนาตัวเองได้ การคือการกระทําอย่างคนที่จนถ้าเราขยานันทำมาหากินขวนขวายหาความรู้สักวันนึงเราก็รวยได้แต่คนที่รวยเนี่ยถ้าขี้เกียจทำมาหากินหันหาเอาไปุบุเล่นการพนานสักวันก็จนได้อะไรอะไรก็ไม่แน่หน้าตาคนเราก็เปลี่ยนได้อย่างบางคนปฏิบัติธรรมหน้าตาก็ผ่องใสยอย่างบางคนเนี่ยเคยหล่อสวยพอเจออารมณ์เศร้าหมองเครียดหน้าตาอมทุก บางทีบทราศีไปก็มีโงเฮ้งโงเฮงคนเราเปลี่ยนได้เอาแน่นอนอะไรไม่ได้ของทุกอย่างไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นเราเป็นตัวเราเองดีที่สุดเพราะว่าเป็นคนอื่นก็สู้เป็นเราไม่ได้มานิทานเรื่องที่สองเรื่องสุขยิ่งกว่าการให้มีชายหนุ่มอยู่คนหนึ่งชายหนุ่มคนนี้เกิดมามีอะไรที่ได้าฉาทุกอย่างแหละคือเป็นคนที่รูปหล่อทางบ้านรวย มีฐานะการงานที่มั่นคงมีความรู้สูงแล้วเขาก็โชคดียิ่งขึ้นคือวันนี้พี่ชายซื้อรถสปอร์ตให้รถสปอร์ตหรูขันนึงก็ไปสิบล้านนะชายหนุ่มก็นํารถสปอร์ตเนี่ยไปขับเล่นขันขับจนเหนื่อยก็จอดพักขณะ น, นั้นมีเด็กชายอยู่คนหนึ่งเข้ามาลูบขามรถสปอร์ตอย่างสนใจชายหนุ่มคนนี้ก็เห็นเขาก็ปลื้มใจแล้วก็เข้ามาถามบอกน้องเบาๆหน่อยเดี๋ยวรถพี่ทลอะหมด เด็กก็ถามต่อพี่ซื้อมาเหรอชายหนุม่มก็ตอบว่าพี่ไม่ได้ซื้อหรอกพี่ชายพี่ให้ไปของขวัญวันเกิดเด็กก็บอกโอ้โหดีจังผมอยากเด็กพูดเหมือนติดต่างอะ่ะชายหนุม่มก็คิดว่าเด็กของอิจฉานะ่ะว่าเขาเนี่ยมีพี่ชายซื้อรถหรูให้แต่แล้วชายหนุม่มก็คิดผิดเมื่อเด็กคนนี้พูดต่อโอ้โหดีจังเลย ผมอยากจะเป็นแบบพี่ชายของพี่บ้างผมจะได้ซื้อรถหรูๆให้น้องผมบ้างคือโดยธรรมชาติเนี่ยคนจะชอบเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้แต่เด็กคนนี้อยากเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับชายหนุม่มไม่เคยเจอคนแบบนี้มาก่อนจึงชวนเด็กน้อยอ่ะว่าไปนั่งรถเที่ยวกับพี่ไหมเด็กน้อยก็รับปากแล้วก็ขึ้นรถไปเที่ยวด้วยกันขับรถไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี้สักพักหนึ่งเด็กก็บอกว่าขี่พา ผมไปที่บ้านได้ไหมช้ยดมก็คิดว่าเด็กคนคงอยากจะโชว์รถให้เพื่อนบ้านเห็นแต่ก็ไหนไหนก็ไหนไหนละวจึงพาไปส่งที่บ้านนั่นแหละแต่ไปถึงบ้านแล้วเขาเขาต้องเปลี่ยนความคิดใหม่เพราะว่าเด็กเนี่ยวิ่งขึ้นไปที่กระไดบ้านแล้วก็อุ้มน้องตัว เ, เล็กๆอะ่ะที่ขาพิการเนี่ยลงมาข้างล่างแล้วเด็กก็พูดว่านู่นน้องเห็นไหมนั่นรถเบอร์ดี วันหน้าน่ยพี่จะซื้อให้น้องได้ชมบ้างโอ้ชายหนุ่มได้ยินได้ยินตรงนั้นเนี่ยปลื้มปิติมากเลยเพราะเข้าใจเด็กคนนี้ผิดคิดว่าอยากมาอวดรถที่ไหนได้เด็กเนี่ยต้องการมาขวดน้องเพื่อสร้างความฝันให้น้องไงว่าสักวันหนึงอ่ะจะซื้อรถให้น้องชายหนุ่มจึงชวนเด็กกับน้องเนี่ยนั่งรถเที่ยวกันแล้วก็รู้ว่าความสุขยี่งกวาการให้คืออะไรตอนนี้ลุกเนยนะ้ขอตังยมพ่อยมแม่อยู่ไหมขอแน่นอนเลยแต่ทักวันเราก็ต้องตอบแทน บ, บุญคุณท่านเลี้ยงดูท่านเราต้องให้ท่านบาง จิตที่คิดจะให้มีความสุขกว่าจิตที่คิดจะเอาลูกในสังเกตมาไอ้บางทีเราให้อาหารหมาเนี่ยหมานี่มีความสุขมากกระดิกหางให้อาหารกาไก่หรือช่วยเหลือสัตว์ที่ตกทุกข์ได้ยากเนี่ยเขายิมีความสุขเราก็สุขได้นะแต่ถ้าเราอยากคนให้ของเราเนี่ยบทีเราก็ได้ดังใจบ้างบางครั้งเราก็ไม่ได้อันนี้ก็ทุกข์ละริงจิตที่คิดจะให้เนี่ยดีกว่าจิตที่คิดจะเอาให้ลูกเรียนเขาจำไว้วันหลังถ้าเรามีอะไรมากเราก็ให้คุยเกี่ยบ้างทําให้เราเนี่ยลดลดกิเลสลดความขี้เหนียวด้วย ช่วยเหลือคนอื่นสิ่งนั้นก็มาหาเรายิ่งให้ยิ่งได้แล้วก็มีคนรักเราแต่คนที่ขี้เหนียวคนไม่ค่อยรักหรอกคนเกลียดมีใครยากคบค้าสมาคมด้วยสังเกตได้นะถ้าใครขี้เหนียวเดีย๋ยไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกมีอะไรก็กินคนเดียวแอบบแอบบเดี๋ยวเพื่อนเห็นแย่งเรากินหมดแต่คนที่แบบมีอะไรก็แบ่งให้เพื่อนกินเนี่ยเพื่อนก็รักวันหลังเพื่อนก็แบ่งให้เรากินเหมือนกันเราให้ความสุขเราก็ได้ความสุขตอบแทนมานิทานเรื่องที่สามเรื่องนี้หลวงพ่อเล่าบ่อย พระในนี้ได้ฟังทุกคนแล้วลูกเนยยังไม่ได้ฟังแต่เล่าทีก็ได้มีหลวงปู่อยู่ท่านหนึ่งท่านมีชีวิตที่มีความสุขมากเลยอยู่จังหวัดอุดรอันนี้ไม่ใช่ลิธานี่เรื่องจริงเวลาเกิด อ, อะไรขึ้นมาเนี่ยท่านชอบพูดว่าก็ดีเนาะจนติดปากคนทั่วไปก็เลยขนานนามว่าให้ท่านว่าหลวงปู่ดีเนาะเจออะไรขึ้นมาก็ดีเนาะวันหนึ่งมีลูกศิษย์มานิมนต์ให้หลวงปู่เนี่ย ไปฉันเพลที่บ้านแล้วก็ไปเทศด้วยบ้านเจ้าภาพอยู่ไกลต้องเดินทางแต่เช้าแต่เพลวันนั้นรถที่มารับปู่ก็เสียต้องจอดซ่อมทำให้รถมาช้ากว่าปกติหลวงปู่ตอนแรกก็ตั้งใจว่าจะไปฉันบ้านงานจึงนำอาหารที่บินาบาาเนี่ยออกมาฉันแล้วบอกว่าฉันอาหารเราก็ดีเนาะตักฉันอาหารไม่ได้ไม่กี่คำรถก็มาแล้วต้องต้องรีบไป หลวงปู่ก็เก็บอาหารแล้วก็พูดว่าไปฉันบ้านงานก็ดีเนาะก็คือนรถไปรถวิง่งมาได้สักพักหนึ่งรถก็เสียคนขับต้องลงไปซ่อมหลวงปู่ก็บอกว่าก็ดีเนาะจะได้ชมวิวข้างทางคนขับซ่อมรถเท่าไหร่เท่าไหร่รถก็ไม่ติดจึงมาวานให้หลวงปู่ลงไปช่วยเข็นตอนนั้นหลวงปู่ก็อายุมากแล้วหลวงปู่ก็ลงไปช่วยเข็น แล้วก็บอกก็ดีเนาะได้ออกห้องกายหลวงปู่ช่วยเขียนจะรถติ ด, ดรถก็วิง่งมาที่บ้านงานใครมาถึงก็เลยเวลาฉันเพลงแล้วหลวงปู่ตอนช้าว่าฉันได้ไม่กี่ครับตอนเพลงก็อดฉันมาถึงเจ้าภาพก็นิมนต์ขึ้นทํามาแสดงธรรมหลวงปู่ก็บอกว่าก็ดีเนาะมาถึงได้ทำหน้าที่เลยระหว่างที่หลวงปู่แสดงธรรมอยู่นั้นลูกศิษย์ก็ไปชมกาแฟมาถวายด้วยความรีบร้อนไปหยิบกระปุกเกลือแทนน้าตาล หลวงปู่แชรไม่ได้คำหนึ่ง <c oughs> ก็ยิ้มยิ้มไม่ว่าอะไรสักพักหนึ่งลูกศิษย์เห็นหลวงปู่ทานเหลือก็มาขอทานบ้างทานไปได้คำหนึ่งก็พวดพวัพวออกมาเลยบอกหลวงปู่แชรไม่ได้ไงเนี่ยกาแฟคเคบปิปปีเลยหลวงปู่บอกก็ดีเนาะทานกาแฟหวานๆมามากแล้วเจออะไรขึ้นมาหลวงปู่ดีเนาะหมดลูกนเนจะต้องเจอต่อจะต้องใช้วิชาหลวงปู่ดีเนาะกับพี่เลี้ยงเพราะว่าเดี๋ยวพี่เลี้ยงจะต้อง ให้ลูกเนนเนี่ย ฝ, ฝึกนู่นฝึกนี่ลูกเนรก็ต้องบอกว่าดีเนาะได้ฝึกฝนตัวเองเพราะถ้าไม่ดีเนาะลูกเนรต้อทุกแน่นอนวิชานี้ช่วยได้ทุกเรื่องอะไรก็ดีเนาะหมดเจอพี่เลี้ยงขัดใจดุเราก็ดีเนาะกินอาหารไม่อร่อยก็ดีเนาะ อ, อะไรที่ไม่แดงใจก็ดีเนาะหมดลูกเนรจะอยู่ในค่ายเนี่ยอย่างมีความสุขจนถึงวันที่สิบสองวิชาที่ใช้ได้ขอให้เชื่อมีอยู่ครั้งหนึ่ง โจมมาปนหลงปู่เพราะว่าคิดว่าหลงปู่รวยโจมมาถึงก็เอาปืนมาขู่เลยบอกมีของมีค่าส่งมาให้หมดปูก่ก็ยิ้มยิ้มแล้วบอกก็ดีเนาะเอ็งขนสมบัตินี้ไปก็ดีค่าขี้เกียจเฝ้าเบื่อดูแลต้องดูแลมานานแล้วโจมมันก็ขู่อีกนะบอกไม่ได้มาปนเท่านั้นต้องค่าด้วยเพื่อปิดปากหลงปู่ก็บอกก็ดีเนาะ ข้าเนี่ยแก่มากแล้วต้องดูแลร่างกายที่เสื่อมโทรมลงทุกวันทุกวันเองฆ่าขาก็ดีเนาะโจรได้ยินตรงนั้นก็ใจอ่อนบอกถ้างั้นฉันไม่ฆ่าก็ได้หลวงปู่ก็บอกว่าไม่ฆ่าก็ดีเนาะโจรมันก็บอกเอ๊ะหลวงปู่เอาไงฆ่าก็ดีเนาะไม่ฆ่าดีเนาะหลวงปู่ก็บอกว่าถ้าเองฆ่าข้าเนี่ยเองก็ต้องโดนตำรวจตามจับต้องติดคุก เผลิดโดยตํารวจวิสามันฆาต ก, กรรมก็ได้ตายไปแล้วตกระลอกหม่ไหมอีกไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดเพราะฉะนั้นเองไม่ฆ่า่าก็ดีเนาะโจรได้ฟังดังนั้นเนี่ยก็เกิดสํานึกผิดวันนั้นก็เลยไม่โป้นไม่ฆ่าแล้วกลับไปมือเปล่าวิชานี้ก็ใช้ได้เ ว, เวลาเวลาเกิดอะไรขึ้นมาเรื่องร้ายๆเราก็เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนร้ายกลยายเป็นดีได้ ลูกเรียนจําหลวงพ่อไว้ก่อนตอนนี้ยังเด็กภายภาคหน้าอาจต้องใช้วิชานี้แต่ถ้าไปสู้โจโดนโจดฆ่าตายไม่รู้นะเผลอไปเพราะว่าโดยคนทั่วไปเนี่ยไม่นจะทําตรงกันข้ามกันไข่มาป้นก็ต่อสู้หัวทรัพสมบัติแต่หลวงปู่ดีเนาะให้หมดเลยอยากได้ก็เอาไปอยากฆ่าก็ฆ่ า, า, า, าก็เลยรอดชีวิตต้องทำตรงกันข้ามอย่าลูกเรียนมาฝึกตัวเองเนี่ยอาจจะลำบากหน่อยอากาศก็ร้อนบางทีพี่เลี้ยงก็ดุ คืออยู่บ้านสบายดูหนังดูการ์ตูนเล่นเกมอะไรพวกนี้ยมาอยู่วัดก็ทําให้สะดวกแล้วเดี๋ยวพี่เลี้ยงก็อยากให้ความรู้เรานเนี่ยก็ต้องบอกว่าก็ดีเนาะเราจะได้พัฒนาตนเองเด็กดีเนี่ยมีห้ามีห้าอย่างมีอะไรบ้างเดี๋ยวหลวงพ่อยาเล่าให้ฟังเด็กดีอย่างนหนึ่งเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่สองเป็นสิทธิ์ที่ดีของครูบาอาจารย์สาม เป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อน 4. เป็นพลเมืองดีของชาติห้าเป็นสาวกที่ดีของพระศ า, าสดาอันนี้คือเด็กดีห้าอย่างไหนลูกเนยลองท่องให้หลวงพ่อฟังดิจำได้ไหมเมื่อกี้เด็กดีห้าอย่างมีอะไรบ้างอ่ลองดูตอบไม่ได้ <laughs> เอาใหม่เดี๋ยวหลวงพ่อทัวรให้อีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวลูกเรียนตอพร้อมกันนะพี่เลี้ยงจะได้มีกำลังใจหนึ่งเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่สองเป็นสิทธิ์ที่ดีของอาจารย์สเป็นเพื่อนที่ดีของเพื่อนสเป็นพลเมืองดีของชาติห้าเป็นสาวกที่ดีของพระศาสดาอ้าวตอพร้อมกัน ใช้ได้สาธุลูกเรียนความจำดีนะเนี่ยเพราะว่าหลวงพ่อมาพูดให้ผู้ลูกเรียนเนี่ยก็เจตนาให้ลูกเรียนเนี่ยจําได้จําได้บางอย่างไปใช้บางอย่างลืมก็ไม่เป็นไรหรอกแต่บางอย่างเนี่ยอย่างหลวงพ่อดีเนาะจําไว้อะดีใช้ได้ทุกสถานการณ์อะไรก็ดีเนาะเนี่ยใช้ได้เมื่อไม่กี่วันก่อนนะหลวงพ่อไปดูวีดีโอคลิปสมัยเนี่ยอยู่ยากแล้วเดี๋ยวเนี้มันจะมีคนหลอกลวงเยอะในโลกของไลน์ในโลกของ facebook เ, เนี่ย เขาพิการทดสอบกันนะโดยเฉพาะสาวเนี่ยหนูน้อยสิลนจาริณีเนี่ยฟังหลวงพ่อไว้อายุสิบเอ็ดสิบสองสิบสามเนี่อันตรายสมัยนี้เล่นไลน์เล่นเฟซบุ๊กกันเนี่ยมันจะมีคนมาหลอกเขามีการทดสอบนะคือว่าจะมีคนทดสอบเนี่ยรู้ไว้กับพ่อแม่ของเด็กของเด็กหญิงเนี่ยโดยเตรียมกันไว้โดยทดสอบเนี่ยมาลอกแชทคุยกันเนี่ยประมาณสามวันเนี่ย แล้วลองชวนผู้หญิงเนี่ยมาหาอันนี้เป็นเด็กฝรั่งนะคนปรากฏว่ารายแรกเนี่ยเด็กผู้หญิงมาหาที่สวนสาธาระาเลยพ่อซุ่มอยู่พ่ อ, อ, อมาออกมาตวาดเลยแหละเด็กร้องไห้ก็แสดงใเห็นว่าถ้าเกิดเป็นคนที่อื่นที่เป็นเป็นในเนี่ยเป็นมิจฉาชีพหรือเป็นผู้ร้ายเนี่ยก็จะพาเด็กไปทำไม่ดีมีร้ายได้เพราะเด็กโดนหลอกไงคือว่าคนที่แชทมาเนี่ยเขาก็ทําให้ดูว่าเป็นหนุ่มหล่อ ฐานะดีอายุน้อยคือล่อให้ผู้หญิงหลงแหะแล้วมาเคที่สองเคที่สองนี่ก็แชร์ปรเชิดมาแล้วชายหนุ่มเนี่ยก็นัดมาบ้านผู้หญิงแหละโดยตกลงกันไว้ว่าให้ตอนพ่อไม่อยู่แหละให้เปิดประตูบ้านรับแล้วให้พ่อเนี่ยซุ่มอยู่พอบอกทําทีบอกไปธุระข้างนอกแล้วเด็กหญิงก็เปิดประตูให้ชายแปลกหน้าเข้าบ้านนะพ่อก็รีบวิ่งมาอันนี้คืออันตราย ผู้หญิงสมัยนี้บางทีโดนหลอกง่ายแล้วมาเคที่สามเคทที่สามนี่เขาหลอกให้มาที่รถตู้โดยพ่อแม่เนี่ยสวมหมวกไอ้โมงซุ่มอยู่แล้วชายหนุ่มเน่ยก็ชวนผู้หญิงมาขึ้นรถตู้นะพอขึ้นรถตู้ปุ๊บพ่อแม่ก็สวมบทตัวปลอมไงกระชากลูกตัวเองกแหละเป็นการแบบรักเยือกทำนองเนี้ยเด็กก็ร้องไห้ใหญ่เลยสักพังพ่อแม่ก็ถอดภาคลุมไอโมงออก แล้วก็โโอลูกอันนี้เป็นเขาทดสอบนะแต่ก็บีเดียโนมเป็นได้จริงที่เด็กโดนหลอกเพราะว่าตกเป็นทาสของเฟ e b o o k ตกเป็นทาสของไ ล, ลน์ดังันพวกหนูน้อยต้องระวังนะเรื่องเหล่านี้อย่าไปเชื่อคนแปลกหน้าสมัยนี้มิชาชีพเยอะหลวงพ่อมีนิทานดีๆหลายเรื่องแต่วันนี้คิดว่าเล่าแค่นี้ก่อนพราะด้เล่ามากเดี๋ยวเดี๋ยวลืมจาไม่ได้พ่อที่จริงหลวงพ่อเล่าได้ทุกวันแหละนิทานเยอะ แล้วเดี๋ยววันที่ลูกเนรกับศรีพรมจารีนิสึกนะจะแจกหนังสือคนละเล่มมาที่สิองหลวงพ่อเตรียมไปแล้วร้อยเล่มแจกทุกคนตอนนี้ยังไม่แจกเดี๋ยวเดี๋ยวไปทิ้งแจงกกลับบ้านก็ ข, ขอให้ลูกเนนเนี่ยตั้งใจฝึกฝนตนเองแล้วก็อย่าเป็นเด็กดื้อถ้าเกิดเราเป็นเด็กดื้อเนี่ยเราจะฝึกตัวเองยากเป็นเด็กดีเป็นเด็กดีว่านอนสอนง่ายชีวิตเราก็จะมีความสุขพ่อแม่ก็มีความสุขด้วย กลับไปก็ได้ลูกคนใหม่ที่ไม่ดือ้อเพราะเด็กบุรีทําอะไรพระฟ้าไม่รู้รู้เท่าไปถึงการเนี่ยอาจจะไปบิดเบียนสัต์ก็ได้อาจจะไปยิงนกตกปลาทำให้สัตว์เดือดร้อนก็ได้ทำพระฟ้าไม่รู้แต่ถ้าลูกเนรู้แบบคุณโทษเนี่ยเราก็อย่าไปทําเขาเราก็ต้องสงสยัยไม่ตาสาัตว์สัตว์ก็เหมือนเราแหละเขาก็เราเจ็บเขาก็เจ็บเราก็ต้องเป็นคนจิตใจดีช่วยเหลือเผื่อแผ่ถ้ า, าทําแบบนี้บ่อยๆนะโตขึ้นเนี่ยเราเป็นหนุ่มเป็นสาวเนี่ยกรรมเวรเราก็ไม่เยอะ ร่างกายเราก็ดีถ้าเราทำกรรมเยอะๆเนี่ยเจ้ากรรมในเวรก็เยอะเราเบียดเบียนเขาเขาเบียดเบียนเราเป็นโกงกรรมกงเวียนทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วอันเราก็ต้องหมั่นสร้างความดีไว้เยอะเพราะเราไม่รู้เลยว่าเราจะตายตอนไหนลูกเนี่ยอย่ามั่นใจว่าจะแก่ตายสมัยนี้อุบัติเหตุมากมา ย, บ า, า ย, ายาบางคนตายตั้งแต่ยังเด็กบางคนตายตั้งแต่วัยรุ่นบางคน แก่แล้วอยากตายก็ตายไม่ได้เลยต้องนอนพังงาบพังงาบอยู่โรงพยาบาลพี่สี่สิปีก็มีอันออนั้นอะไรอันน้อยไม่ได้อันนั้นก็ต้องไม่ประมาทอย่าประมาทลอยไปเด็กนะเด็กก็ตายได้คนเราถึงข่าวตายก็ต้องตายอย่างเมื่อกี่ว่าก่อนลุงพ่อดูวีดีโอคลิปอยู่วีดีโอเดือน้เด็กคนนี้ไม่มันไม่ถึงข่าวตายอายุประมาณสิบขวบบ้างขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกับเพื่อนเนี่ยพอเพอเนี่ยทำอีท่าไหนลวิ่งไปหารถสิบแปดล้อใกล้รถจะเหยียบเยอะแหละ มันเหมือนเมียเราผักนะไม่ถึงข่าวตายเด็กกระเด็นออกมาแล้วก็มอเตอร์ไซค์ก็มอเตอร์ไซค์กระบุ้นเข้าไปใต้ท้องรถนั่นแหละรถก็เหยียบมอเตอร์ไซค์แบนเลยอันนี้เขาเรียกว่าไม่ถึงข่าวตายแล้วก็เมื่อเมื่อสองวันก่อนก็มีเด็กเนี่ยมันล้มอยู่มอเตอร์ไซค์ล้มมาแล้ว18ดล้อเนี่ยเขาเห็นเข้าเขายอมหกักหลบลงข้างถนนไปเลยยอมตัวเองบาดเจ็บเพื่อช่วยชีวิตเด็ก2คนอันนี้คือเด็กไม่ถึงข่าวตายแต่ ถ, ถึงข่าวซวยรถ18ล้อมันก็เหยียบสามก็ตาย นั้นคนเราจรึงใบเหงตลอดอาจจะซวยก็ได้ถ้าลูกเนมประมาทเดินเผืเ่อเดินไปในวัดอาจจะโดนต้นไม้หล่นใส่หัวตายก็ได้ถ้าโซนนะหรืออาจจะโดนงูกัดตายก็ได้อจจะไรเกิดขึ้นได้เสมอใเราต้องทําดีเยอะๆหลวงพ่อพูดมาก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาก็ขอให้ลูกเนมมีความสุขความเจริญธรรมยิ่งขึ้นไปศีลพระมหาจารีดีด้วยเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยมาเล่าทิทานให้ฟังใหม่วันนี้แค่นี้นะ